เรื่องนาคราชชื่อเอรกักปัดสัตรดรัชฉานพระศัสดาเมื่อประทับอยู่ที่โคนต้นไม้ซึก7เจ็ดวันในพระนคนพรพารณสีทรงปรารกพระยานาคราชชื่อเอรกักปัดทราบว่าในสมัยพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพญานาคนั้นเป็นภิกษุหนุ่มขึ้นเรือไปในแม่น้ำคงคา ยึดใบตะไคร่น้ำกอหนึ่งขาดแล้วภิสษุนั้นไม่ได้แสดงอาบัตด้วยคิดว่าเป็นโทษเล็กน้อยทมสมณธรรมสิ้นสอง0มืปีในการมรณภาพลิมิตเป็นดุจตะไคร้น้ำผูกคอคิดว่าเรามีศีลไม่บริสุทธิ์อยากแสดงอาบัตแต่เมื่อไม่เห็นภิสษุอื่นก็เกิดความเดือดร้อนใจ จุติจากอัตภาพนั้นแล้วไปบังเกิดเป็นพญานาคชื่อเอรักปัตมีร่างกายประมาณเท่าเรือกโกลนการต่อมาเข้าได้ทิดาคนหนึ่งคิดออกอุบายเพื่อทราบการอุบัติของพระพุทธเจ้าเพื่อความยินดีในพระพุทธเจ้าจึงเอาทิดาวางไว้บนพังผานร้องถามปัญหาผู้ตอบได้จะได้กรองหน้าคพิภพ ด้วยนางนาคมานาวิกาธิดาของเราเพลงขับนี้ว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าชื่อว่าพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอย่างไรเล่าชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรเล่ า, า, า, ท, ล า, ลาท่านจึงเรียกว่าคนพานนางยืนอยู่บนพังพานทุกกึ่งเดือน ขับเพลงถามปัญหาอยู่อย่างนั้นพุทธันดรหนึ่งล่วงไปครั้งนั้นพระศาสดาอุบัติขึ้นแล้วในโลกวันหนึ่งใกล้รุง่งทรงตรวจดูโลกทรงเห็นมานพชื่ออุตระเข้ามาในข่ายพระยานเมื่อมานพเรียนเอาเพลงขับแก้ปัญหาทิฏถาคตให้แล้วจักเป็นโสดาบันมานพเรียนเอาเพลงขับแก้นั้นแล้ว เพลงแก้มีว่าผู้เป็นใหญ่ในทวารหกชื่อว่าเป็นพระราชาพระราชาผู้กำนัดชื่อว่ามีธุลีบนพระเสียรผู้ไม่กำนัดอยู่ชื่อว่าประาศจากธุลีผู้กำนัดอยู่ท่านเรียกว่าคนผ่านคาอธิบายว่าผู้เป็นใหญ่แห่งทวารหก อันมีอารมณ์หกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลัดภะและธรรมอารมณ์ผู้เป็นใหญ่แห่งทวารหกอันอารมณ์หกนี้ครอบงำไม่ได้ทางทวารหกมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสรู้กายสัมผัสรู้เรื่องราวนึกคิดรู้ความหมายยอมครอบงำไม่ได้แม้ทวารหนึ่งผู้นี้ชื่อว่าเป็นพระราชา สำหรับข้อนี้ผู้กำหนดอยู่ได้แก่เมื่อได้เห็นได้ยินเป็นต้นแล้วยินดีคืออภิชายินร้ายคือโทมนัสหรือชอบชังหรือเกิดราคะโทศะผู้ไม่กำหนดอยู่ได้แก่เมื่อได้เห็นได้ยินเป็นต้นนั้นแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายหรือไม่ชอบไม่ชังไม่เกิดราคะไม่เกิดโทศะเป็นศักดะว่าเห็นศักตว่าได้ยินเป็นต้น ว่าไม่ใช่เราเป็นเพียงแต่รูปกับนามเป็นเหตุปัจจัยอาศัยกันเกิดแล้วดับไปไม่ใช่เราเห็นไม่ใช่เราได้ยินเกิดแล้วดับไปแล้วเกิดที่ตาดับแล้วที่ตาเกิดที่หูดับแล้วที่หูเป็นต้นพระสัสดาครั้นประธานเพลงแก้แล้วตรัสว่าเมื่อเธอขับเพลงแก่นี้แล้ว นางจัดขับเพลงขับแก้เพลงขับของเธออีกว่าคนพานอันอะไรเอ่ยย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบรรเทาอย่างไรจึงกระเสมจากโยคะที่นี้เธอพึงขับเพลงแก้แก่นางว่าคนพานอันห่วงน้ําคือโอคะย่อมพัดไปบัณฑิตย่อมบรรเทาโอคะนั้นเสียด้วยความเพียร บัณฑิตผู้ไม่ประกอบด้วยโยคะทั้งปวงท่านเรียกว่าผู้เกษมจากโยคะอธิบายว่าโอคะคือกิเลสตุดห่วงน้ำมีสี่อย่างได้แก่กามทิฏฐิภพอวิชาย่อมพัดไปความเพียรคือสมประทานสี่อย่างได้แก่เพียรไม่ให้อกุศลเกิด เพียนละกุศลที่เกิดแล้วเพียรให้กุศลเกิดและเพียรรักษากุศลที่เกิดแล้วอุตรามานกกำลังเรียนเพลงขับแก้ดำรงอยู่ในโซดาปฏิพลการรู้เห็นธรรมนั้นรู้เห็นได้ทุกกาลเทศะเป็นอาการลิโกไม่จำกัดการเวลาต่อเมื่อได้โอปนญญิโก น้อมเข้ามาใส่ตัวให้เป็นสันธิติโกพึงเห็นด้วยปัญญาตนเองเพราะสภาวธรรมเรียกร้องให้เข้าไปดูการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเป็นเอหิปัสสิโกอยู่อุตรามานพนั้นไปสู่สำนักของนาคราชนาคราชได้ฟังเพลงขับแก่นั้นแล้วทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วดีใจว่า เราไม่เคยฟังชื่อบทเห็นปานนี้ตลอดพุทธันดอนหนึ่งเอาหางฟาดน้ำคลื่นใหญ่พัดฝั่งทั้งสองพังลงพวกมนุษย์ในที่ประมาณอสุภะหนึ่งคือประมาณยี่หาวาจมลงในแม่น้ำนาคราชนันยกมหาชนทั้งหลายวางไว้บนพังผานแล้วตั้งไว้บนบกแล้วถามอุตรามานกว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนอุตรามานกตอบว่า ประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งนาขาราชได้ไปกับอุตรามานพพร้อมกับมหาชนทั้งหลายถวายบังคมและยืนร้องห้อยู่ว่าข้าพระองค์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ากัสปะได้ทําสมณธ ร, รรมสิ้นสองหมื่นปีแม้สมณธรรมนั้นไม่อาจช่วยข้าพระองค์ได้โดยเหตุสักว่าได้ทําใบตะไคร้น้ําขาดมีประมาณเล็กน้อยถือปฏิสนธิในสัตว์เดรัจฉานแล้ว ต้องเหลือไปด้วยอกไม่ได้ความเป็นมนุษย์ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าตลอดพุทธันดรหนึ่งพระศัสดาทรงตรัสว่ามหาบพิษชื่อว่าความเป็นมนุษย์หาได้ยากนักการฟังพระสัตร์ธรรมเป็นของยากอย่างนั้นการอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าแสนยากเหมือนกันเพราะว่าสามอย่างนี้บุคคลย่อมได้โดยลาบาก ทรงตรัส พ, พระคาถาว่าความได้อัตภาพเป็นมนุษย์เป็นการยากชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ยากการได้ฟังพระสัตร ธ, ธรรมเป็นของยากการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นการยากในการจบเทศนาสัตว์ 84% ดหันได้ตรัสรู้ธรรมบรร ล, ลุอรหัตฝ่ายนาคราช ข้าที่ตนเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ได้โสดาบันก็จริงแต่ก็ไม่ถึงภาวะความลำบากในฐานะทั้งห้ากล่าวคือการถือปฏิสนธิการลอกคราบการวางใจแล้วก้าวลงสู่ความหลับการเสพเมทุนกับด้วยนางนาคผู้มีชาติเสมอกันและจุดติคือเคลื่อนจากภพเดิมหรือตายที่ภพนาคถือเอาสรีระแห่งหนาคยอมได้รูปแห่งมนุษย์ คือมนุษย์ผู้ชายนั่นแหละ